พระบัญญัติก็ภิกษุใดอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าหน้าหวัดระแวงมีภัยน่ากลัวเช่นนั้นไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามแล้วฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัพเพะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องครับใช้ของเจ้าสักยะจบ